5. าปาติเทศนิยกัรคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาติเทสนียกัรปาติเทศนิยกัรสิกขาบทที่หนึ่งสองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนิย